มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัตรพุทธทัศนะปัญหาที่สิบถามว่า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 จนใจหารู้ที่จะชี้ไม่ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่าตังกิงมัญสิมหาราชะพระราชสมภารสำคัญอย่างไรจึงถามชนี้ปเปรียบดุดเปเลวอัคคีรุ่งโรโชดธนาการเปเลวเพลิงดับยังอยู่ต่ฐานบ่อพิษพระราชสมภาร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 ในปัญจะมะวัตเป็นคำรบสิบจบเท่านี้จบปัญจะมะวัต